การสานะก็กำลังจะสิ้นสุดลงสําหรับคนที่อยู่ประจำนะวันนี้ก็เหมือนกับวันก่อนๆ ก, ก็ไม่ได้มีอะไรแตกต่างจากวันอื่นมากเท่าไหร่นะยกเว้นว่ามีคนมาวัดนะเยอะขึ้นหรือว่าหนาตากว่าวันอื่นๆแต่สําหรับคนที่ เพ่งมาอยู่ใหม่นะไม่ว่าจะเป็นพระหรือโยมที่ตั้งใจจะมาจำพรรษาวันนี้ก็อาจจะผ่านไปอย่างเชองช้านะอันนี้เป็นธรรมดานะเพราะว่ามันเป็นที่ใหม่นะมันเป็นที่ที่เราไม่คุ้นเคยมันไม่ใช่แค่ สิ่งว่าล้อมนะแปลกใหม่หรือแปลกตาอย่างเดียวแต่มันรวมถึงวิถีชีวิตด้วยวิถีชีวิตที่แตกต่างจากที่บ้านแล้วก็ที่ทำงานของเราหลายคนจจะเริ่มรู้สึกว่ามันน่าเบื่อเงียบเหงานะเวลาผ่านไปอย่างเชื่องช้า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 แต่ละวันแต่ละวันก็ไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหรนะ่สิ่งที่จะล่อเราเย้าวยวนให้เรานะเกิดความตื่นตาตื่นใจมีสิ่งเสพสิ่งบริโภคใหม่ๆนะอย่างชีวิตในเมืองนะมันก็ไม่ค่อยมีเท่าไหรนะ่คนที่ เคยผ่านหรือเคยอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มันมีแสงสีเสียงมันมีข้อมูลข่าวสารห ล, ลังไหลพรั่งพรูเข้ามาในแต่ละวันมีกิจการงานมากมายชีวิตที่ต้องเร่งรีบแข่งกับเวลาพอมาอยู่ในสถานที่แบบนี้เนี่ยนะ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 แต่ว่าทารกทุกคนนะในท้องแม่เนี่ยจะไม่ยอมจะไม่อยากออกมาเพราะคิดว่าในท้องแม่นี่มันสุดยอดที่สุดแล้วเป็นสวรรค์สาหรับเด็กทารกในนั้ น, นครบเก้าเดือนแล้วนะก็ไม่ยอมออกนะฉะนั้นที่ท้องของแม่ก็พยายามบีบรัดเด็กให้ออกมาได้สักทีแต่เขาก็ขัดคืนนะ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 เหมือนกับว่ากําลังเจอความทุกข์ทรมานที่จริงไม่ได้ทุกข์ทรมานหรอกแต่ว่าเขากลัวเขากลัวที่ต้องจากพรากจากาสิ่งแวดล้อมเดิมๆที่คุ้นเคยซึ่งก็คิดว่าเนี่ยมันคือสวรรค์ต่อเมื่อเด็กออกมาแล้วเนี่ยนะเราก็รู้ความสักหน่อยก็ถึงรู้ว่าโอ้ข้างนอกนี่มันดีกว่าในท้องแม่เยอะเลยท้องแม่ก็ดีอยู่แล้วนะอบอุ่นนะแต่ว่าข้างนอกเนี่ย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 แม้มาที่นี่แล้วก็ยังคิดนะถึงชีวิตในเมืองหรือชีวิตที่เราเคยสุขสบายที่บ้านไม่ชอบก็จริงแต่ว่าออกมาแล้วก็คิดถึงหลายคนบ้านอยู่ติดถนนนะไม่ชอบนะเสียงดังที่รถยนต์มันเล่นผ่านไปผ่านมาบางคนก็ไม่ชอบที่รอบบ้านนี่มี่เสียงกระทึกนะแต่พอมาอยู่ที่นี่ มันเงียบสงัดมากนอนไม่หลับนะมันคิดถึงนะนอยากได้ยินได้ยินเสียงอือ ก, ก็ทึกคึกโครมนะนะไม่ชอบก็จริงแต่ว่าลึกๆมันก็มีความอ่านลายอยู่ไอ้ตรงนี้แหละที่มันทำให้หลายคนนเวลามาอยู่ที่นี่เนี่ยแม้แต่นักปฏิบัติธรรมที่จะมาอยู่แค่ 4-5 ห้าวันหรือว่าหนึ่งอาทิตย์เนี่ยก็จะรู้สึกว่าวันแรกๆเนี่ยมัน มันหงอยเหงาเนะีมันดูหน้าเบือ่อแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะพออยู่ไปสักพักเนี่ยสาี่วันนะก็จะเริ่มดีขึ้นนะก็จะเริ่มปรับตัวได้แต่ทั้งนี้ทั้ง น, นั้นก็นขึ้นอยู่กับการการวางใจด้วยนะเพราะว่าแม้ธรรมชาติคนเราเนี่ยมันจะปรับตัวให้เข้ากับสิ่งวัลลภใหม่ๆได้ได้อย่างรวดเร็วนะแต่ว่าใจของเราบางทีมันก็คอยขัดขวาง เช่นการพยายามไปเปรียบเทียบนะระหว่างที่นี่กับที่เคยจากมาความโดยเพพาะความสะดวกสบายนะอาหารการกินนะแล้วก็อิสระเสรีนะอยู่ที่นี่เนี่ยมันมันแตกต่างกับอยู่บ้านนะอยู่บ้านนี่เราอาจจะอยู่เพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมงแล้วเราก็ไปทํางานเราไปทํางานไม่กี่ชั่วโมงแล้วกลับมานะ แต่ว่าที่นี่เนี่ยเรานะต้องอยู่ตลอดเลยยี4ชั่วโมงนะต้องเจอคนหน้าเดิมเดิมนะต้องอยู่ในสิ่งแวดล้อมเดิมเดิมตลอด2ีชั่วโมงถึงแม้ว่าวัดนี้จะกว้างนะให้เราเนี่ยเดินไปไหนมาไหนได้นะแต่สุดท้ายมันก็คลายๆกันไปหมดนะมันต้องอาศัยการปรับตัวทีเดียวนะ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 เพราะว่ามันไม่มีความสบายอย่างที่เราเคยประสบพบเห็นหรือคุ้นเคยนะที่บ้านหรือข้างนอกหลายคนลืมไปนะว่าเราไม่ได้มาเพื่อความสบายพอเห็นความไม่สะดวกบางอย่างนะตั้งแต่การตื่นที่ต้องตื่นเป็นเวลาตอนอยู่บ้านจะตื่นกี่โมงก็ได้นะแต่อยู่ที่นี่เนี่ยนะไม่มีอิสระเสรีจะทำแบบนั้น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 แต่ถ้าเราเตือนตัวเ อ, อยู่เสมอว่านะเราไม่ได้มาเพื่อความสบายแต่ก็ไม่ไ้หมายความว่าเรามาหาความลำบากใส่ตัวนะไม่ใช่เหมือนกันนะเราไม่ได้มาหาความลำบากใส่ตัวแต่ถ้าจะมีความลำบากบ้างนะมันก็เป็นส่วนของการฝึกฝนนะที่นี่เนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยสบายกว่ตกาตก่อนมากความลำบากมีน้อยนะต่ก่อนนี่ก็ อาบน้ำนะเราก็ต้องหิวน้ำเองนะช่วงแรกๆเนี่ยเราก็อาบน้ำกันตรงสะพานนี่แหละสมัยก่อนเนี่ยเมื่อตอนที่ธรรมามาอยู่ใหม่ๆเนี่ยสบกว่าปีที่แล้วเนี่ยก็ อ, อาบน้ำตรงสะพานนี่แหละนะบรรยากาศดีทีเดียวนะคนไม่ค่อยเดินผ่านสะพานเท่าไหร่เราก็อาบน้ำกัตรงนั้นแหละนะตอนหลังก็ก็ต้องไปอาบน้ำตามกุฏนะิแล้วจะทำยังไงในเมื่อ วัด น, นี้ไม่มีไฟฟ้าไฟฟ้าไม่มีนะจกนกระทั่งอีกหลายปีต่อมาก็ต้องใช้แรงคนนะั่นแหละนะไปทิ้วน้ําไปตักน้ํามานะถ้าโชคดีหน่อยนะอ่องเก็บน้ำเนี้ยนะมันไม่ไกลนะเราก็ไม่ต้องเหนื่อยมากแต่ถ้ามันไกลนี้ก็และแถมต้องขึ้นเขาด้วยนี่ก็ลําบากหน่อย แต่ว่าคนที่อยู่ที่นั่นนะเาก็สมัยนั้นเขาก็ไม่เคยได้บนอะไรนะเพราะว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตแล้วมันก็เป็นธรรมดาแต่พวกเรานี่จะอยู่แบบนั้นคงจะยากแล้วเพราะว่าเราคุ้นเคยกับชีวิตที่มันสุขสบายเมือเ่อใ่ก็ตามที่เราสึกว่ามันมันลำบากนะก็ให้ตระหนักว่าเราเรียกว่าสบายกว่าแต่ก่อนเยอะ และความลำบากก็เป็นส่วนของการฝึกฝนนะให้พยายามมองในแง่นี้เอาไว้นะเราจะเป็นมิกับสิ่งแวดล้อมได้มากขึ้นจาเป็นมากเลยนะที่จะเป็นมิกัาสิ่งแวดล้อมเริ่มจากเป็นมิกับกุติที่ักของเราเป็นมิกับสิงแวดล้อมนะรอบกุติของเรานะลองมองหาข้อดีของมันนะเช่นว่ามันสงบส ง, งัดนะ ในกลยชิดธรรมชาติถ้าเรามองหาข้อดีเนี่ยเราจะเป็นมิจาสิงแวดล้อมได้ง่ายนะแต่ถ้าเรามองเห็นแต่ถ้าเราคิดจะมองเห็นข้อบอกพร่องเนี่ยเราก็จะเจอเยอะเลยนะคนเราจะสุขหรือทุกข์มันก็อยู่ที่มุมมองนะเวลาถามคนนะว่าคุณมีความสุขกับชีวิตของคุณบ้างหรือเปล่าคนส่วนใหญ่จะตอบว่า มีความสุขหรือพอใจกับชีวิตมากกว่าเวลาถูกถามว่านะมีอะไรที่คุณไม่ชอบบ้างในชีวิตนีนะ้คำถามเนี่ยนะมั น, ม, นมันมันมีผลต่อคำตอบนะถ้าตอบว่าถ้าถามว่าคุณมีความพอใจกับชีวิตบ้างไหมเนี่ยโอ้ควจะตอบว่าพอใจมากกว่าเวลามีคนถามว่า ในชีวิตนี้มีคุณมีอะไรที่คุณไม่พอใจไหมนะเพราะคาถามแรกนี่มันมันมันนาให้เราไปมองหาข้อดีนะสิ่งที่เราพอใจเราก็เห็นนะโอ้มันมีข้อดีเยอะแต่ใครที่เจอคําถามที่สองเนี่ยหรือคําถามหลังเนี่ยนะมันก็จะเห็นแต่ข้อไม่ดีนะทั้งที่ชีวิตเรามันก็มันก็มีทั้งบวกและลบนะมีทั้งสุขแล้วก็ ทุกแล้วก็มีทั้งที่พอใจและไม่พอใจนะแต่ถ้าเรามองให้เห็นนะสิ่งที่น่าพอใจแลากนะ็พบว่าชีวิตนี้มันก็นะมีคุณค่าคยาการนะดำเนินชีวิตอยู่เป็นมิตกับสิ่งแี่รอมให้ได้นะแล้วก็พยายามเป็นมิตรนะกับทุกชีวิตนะที่อยู่ในวัดนี้นะโดยเฉพาะผู้คน ไม่ว่าจะเป็นพระไม่ว่าจะเป็นแม่ชีไม่ว่าจะเป็นโยมนะที่มาจาพรรษาหรือว่าที่ม า, าเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งนะหรืออาคารตุ ก, กะนะับมันเป็นสิ่งที่ท้าทายแล้วก็เป็นแบบฝึกหัดที่ดีเลยนะการที่เราจะอยูนะ่ในชุมชนหนึ่งหนึ่งเนี่ยอย่างสงบราบรื่น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 อาจจะหลบนะไปดูโทรทัศน์หรือว่าปลีกตัวไปฟังเพลงหรือว่าไปชอบข้างนอกนะหรือถึงแม้จะอยู่บ้านนะก็อยู่ได้ไประเดียวเดียวไม่กี่ชั่วโมงเดี๋ยวก็ออกไปทำงานแนละ้วแต่อยู่ที่นี่เนี่ยเราต้องเจอหน้ากันตลอด24ชั่วโมงก็ว่าได้ยก เ, เว้นเวลาหลับเวลานอนนะ18หรือว่า17ชั่วโมงนะทีนะ่มีโอกาสที่เราจะต้องมาพบปะเกี่ยวข้องกัน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 พยายามมองมองหาข้อดีของสิ่งรอบตัวเรานะไม่ได้เรียกร้องนะว่าให้มองให้มองเห็นว่าทุกอย่างนี่ดีไปหมดนะเราคงเรียกร้องแบบนี้ไม่ได้ว่าให้มองว่าทุกอย่างนะมันดีเป็นหมดไอ้ที่ไม่ดีก็มีนะแต่ว่าพยายามมองเห็นสิ่งดีๆของทุกอย่างมันต่างกันนะระหว่างเห็นระหว่างการมองเห็น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 มาเป็นครูของเรานะเพื่อให้เราได้เรียนรู้นะการวางใจที่ถูกต้องเดินรูนะ้ในเรื่องการมีสติมีความอดทนหรือคันตนะิเพราะว่าสิ่งเหล่านีน้มันช่วยทำให้เราเไม่เพียงแต่เป็นมิจกับสิ่งแวดล้อมไม่เพียงเป็นมิจกับ ผู้คนที่เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนนะที่นี่แต่ว่ามันยังทำให้เราเป็นมิจฉาตัวเองได้ง่ายด้วยอันนี้สำคัญมากเลยนะเราจะเป็นมิจฉาสิ่งแวดล้อม เ, เป็นมิกับป่าที่นี่นะเราจะเป็นมิกับผู้คนที่อยู่ในวัดนี้เนี่ยนะได้เนี่ยสิ่งสำคัญคือเราเป็นมิกฉาตัวเองที่เราไม่พอใจ โน่นนีนะ่ไม่พอใจกุติไม่พอใจสิ่งวัตร้อนไม่พอใจอผู้คนซึ่งบางทีก็ไม่ได้มีอะไรนะที่รบกวนเราเพียงแต่ว่าสวดมนต์ไม่เหมือนกับเรานะแค่สวดมนต์ไม่เหมือนกันเนี่ยนะมันก็เป็นปัญหาได้นะนะแม้ว่าเขาจะไม่ได้ด่าเราแม้เขาจะไม่ได้แกล้งเราหรือว่าเอาเปรียบเราเพียงแต่เวลาสวดมนตนะ์เสียงดังต่างกันนะ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 ในเมืองหรือว่าข้างนอกเนี่ยนะมันจะมีอะไรต่ออะไรให้ให้ใจเนี่ยไปจดจอเรียกว่าจิตเนี่ยมันส่งส่งออกไปข้างนอกนะไปพุ่งไปไปไปจดจอไปสนใจอยู่กับเสียงไปจดจออยู่กับ อ, อะไรต่ออะไรมากมายนะเราไม่ชอบนี่เราก็นะไปโน่นนะเราเบือ่อนะ เบื่องานเบื่อผู้คนนะเราก็มีทางออกนะไปฟังเพลงไปดูหนังไปชอบไปเที่ยวห้างมันมีทางหนีตลอดเวลาที่ทำให้ใจเนี่ยมันสบายหรือว่าใจมีความเพลินอย่างที่เราเพลินในความสุขนะที่พูดเมื่อวานแต่พอเราอยู่ตรงนี้เนี่ยนะจิตมันไม่มีไม่มีสิ่งภายนอกที่จะเข้าไปจับนะหรือว่าไป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 นะเอาความคิดต่างๆนะทั้งในอดีตบางทีสิ่งที่ไม่เกิดขึ้นในซ้าก็ปรุงแต่งนะและความคิดที่มันผุดโผล่ขึ้นมาในหัวเงี้ยมันก็ทำให้เราว้าวุ่นหงุดหงิดนะหลายคนเนี่ยจะกระสับกระส่ายเวลาอยู่คนเดียวนะโดยเพราะเนี่ยมาอยู่ป่าแบบนี้เนี่ยมันจะมีความกระสับกระส่ายนะไม่ใช่กระสับกระส่ายข้างนอกนะมัน มันเกิดจากความว่าวุ่นข้างในใจก็นะทำให้คนเราเนี่ยทนอยู่กับตัวเองไม่ได้เพราะไอ้ความคิดที่มันนะว่าวุ่นฟุ้งซ่านอยู่ในหัวนี่แหละที่ทำให้คนเนี่ยนะต้องต้องหนีตัวเองนะไปคุยกับคนโน้นนะหรือว่าไปคุกคลีกับคนนั้นนะไปชอบไปเที่ยวนะหรือว่า เดี๋ยวนี้ก็มีโทรศัพท์ก็ห น, ะนีตัวเองด้วยการใช้โทรศัพท์ไปคุยกับคนอื่นนะแล้วเราก็ไม่เคยนะเรียนรู้ที่จะหาทางจัดการนะกับสิ่งที่มันอยู่ในหัวเรานะไม่ใช่ว่าเราจะต้องควบคุมไม่ให้ความคิดเนี่ยมันหยุดผุดโผล่ในหัวเรานะหลายคนมาวัดเพราะ รู้สึกลำคาญกับไอเสียงที่มันอยู่ในหัวความฟุ้งซ่านต่างๆแล้วก็มาวัดเพราะด้วยความปรารถนาว่าถ้าปฏิบัติแล้วไอเสียงในหัวจะหมดไปหรือความคิดต่างๆที่เคยรบกวนมันจะหมดไปถ้าเข้าใจแบบนี้นี่ก็เข้าใจผิดนะหรือว่าตั้งความหวังไว้ไม่ถูกต้องเพราะว่าความยากแบบนี้แหละที่มันจะชักนาให้เราเนี่ยไปกดข่มจิตไม่ให้คิด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 ผักใสสิ่งต่างๆไม่ว่ารูปรสกินเสียงที่อยู่ภายนอกหรือว่าอารมณ์ความคิดที่มันเกิดขึ้นมาภายในเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยเป็นตัวการสำคัญมากกว่านะเสียงดังยังไงถ้าใจเนี่ยเฉยๆนะไม่ทุกข์หรอกถ้าใจเป็นกลางๆกับมันไม่ทุกข์หรอกใจที่ทุกข์เพราะใจเนี่ยมันไปเป็นลบมรู้สึกลบกับเสียงนั้นมันพยายามไปต่อว่าด่าทอหรือว่ากดด่า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 อันนี้เขาเข้าใจผิดว่าถ้านั่งสมาธิหรือทําสมาธิแล้วเนี่ยหรือปฏิบัติรำแล้วมันต้องไม่มีความคิดนะพอมันมีความคิดเกิดขึ้นนะมากมายก็รู้สึกว่าโอ้เราคงจะทําไม่ได้นะเราคงไม่มีวาสนาที่จะภาวนาได้นะหรือว่าไปพยายามนะไปสู้รบตบมือไอ้ความคิดเหล่านั้นไอนะ้ความคิดไม่ใช่ปัญหานะความคิดฟุง้งซ่านแต่ที่มันเป็นปัญหาเพราะเราไป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 เราไม่ชอบหน้าใครเนี่ยเราก็จะนึกถึงหน้าเขาบ่อยเราไม่ชอบคำพูดของใครเราก็จะนึกถึงคำพูดของเขาอยู่เป็นประจำนะยิ่งผักใสก็ยิ่งยึดติดนะแล้วยิ่งติดยึดติดก็คือแบกนะอย่างที่เราสวยมาสักครู่เนี่ยเราทุกข์เพราะเราแบกนะเราทุกข์เพราะเราแบกการแบกที่ทำให้ทุกข์แต่คนก็ชอบแบกคนก็ชอบยึดนะ ทั้งนั้นที่สิ่งที่แบบสิ่งที่ยึดก็ไม่ดีไเลยไม่ไม่ดีเลยนะความไม่ดีของเขาความคดในข้องเอาก็ดูมของเขาคําพูดที่เสียแทงของเขารวมทั้งงานการนะที่เต็มไปด้วยปัญหาความผิดพลาดความล้มเหลวนะไอ้พวกนี้มันไม่ดีเลยนึกทีไรก็เจ็บปวดนึกทีไรก็ทุกนึกทีไรก็โกรธแต่ก็แบกมันเอาไว้ยึดมันเอาไว้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 เสียงดังนะเราไม่ชอบเราก็ไปจดจจอยที่เสียงนั้นนะกลนบ่นด า, เ, าเสียงเหล่านั้นแต่ไม่สังเกตว่าใจของเราเป็นลบกับเสียงนั้นแค่ไหนงั้นถ้าเราหันมานะฝึกใจให้มารู้ทันนะในสิ่งเหล่านี้รวมทั้งรู้ทันอาการของใจนะเมื่อมีสิ่งเหล่านี้มากระทบเนี่ยนะใจเราจะสงบได้นะเสียงดังก็ดังไปนะ แต่ใจเราเป็นปกติความคิดมันจะเกิดขึ้นไงก็คิดไปแต่ใจเราก็ปกตินะวางใจเป็นกลางหรือว่ารู้ซื่อๆรู้เฉยๆเดี๋ยวมันไปเองแล้วความสงบก็จะเกิดขึ้นนันถึงเวลาเราอยู่คนเดียวเนี่ยความคิดมันจะผุดขึ้นมาอย่างไงนะใจเราก็เป็นปกติการเป็นการอยู่คนเดียวกลายเป็นเรื่องง่ายการอยู่คนเดียวไม่ใช่เป็นเรื่องทุกข์ทรมายต่อไป และเราก็จะเป็นมิจฉาตัวเองได้พอเป็นมิจฉาตัวเองแล้วนะมันก็ช่วยทําให้เราเนะี่ยเป็นมิจฉาสิ่งแวดั้อมเป็นมิกฉาธรรมชาติเป็นมิจฉาสถานที่แล้วก็เป็นมิจฉาผู้คนได้ง่ายอันนี้แหละคือแบบฝึกหัดสําคัญนะทีะ่เราควรจะเรียนรู้นะแล้วก็ผ่านให้ได้นะในช่วงเข้าพรรษาเนี่ยเรามาเพื่ออันนี้แหละเรามาเพื่อฝึกอันเนี้ยนะแต่ไม่ใช่แค่อันเดียวนะมันยังมีแบบฝึกหัดอีกมากมายแต่ว่า